เรื่องของการช่วยเหลือควนขวายในกิจการงานต่างๆในต่างที่ชอบชี้กวรเดี๋ยวก็เรื่องของศีลศีล น, นั้นมาก็มีความประนีตขึ้นนะฮะเกิดหมายความว่า เ, เริ่มมาจากศีลกเป็นจเวนนวิรัตคือศีลทั้งทั้งห้าประการแต่ว่าท่านจะมาเน้นที่ตัวศีลศีลโวศตส์สสขึ้นไปเป็นการรักษาทุกครั้งทุกคราว เั้นการควบคุมอาการกายวาจาของตนเองให้ประณีตขึ้นคือบางเรื่องไม่มีปัญหาอะไรกับใครหรอกต้องการจะฝึกปลือจิตใจของตัวเองให้มีความบดกลั้นมีความอดทนมีความทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายที่ยโยกย่อหยุดมาจากข้างนอกแลก้วก็ตุ้นเตือนออกไปจากข้างในก็กลายเป็นแต่ละข้อนั้นเป็นพรหมจันทร์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 ก็ถือว่าเป็นนักปราดคนหนึ่งที่หาได้ค่อนข้างยากก็เรียกว่าเป็นร้อยรอยปีนะฮะจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งขี่มือไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็แสดงเห็นว่ามันแตกฉานในหลายศายสาตร์มันยากเพราะถ้าคนหนึ่งก็แตกฉานในศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาแตกฉานในพุทธศาสตร์ด้วยเนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วคนคนแตกฉานจริงๆเนี่ยเขาไม่เคยขัดคาน ก็จะให้ความเคารพนะลึกซึ้งจนเรียกว่าให้ความเคารพทุกตัวอักษรที่ปรากฏในพระคัำพีไล้ทําไปก็เรียกมีความเคารพหนักแน่นในพระศ า, าสดามีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมมีความเคารพหนักแน่นในพระสงฆ์มีความเคารพหนักแน่นใน ใ, นใจสิกขามีความเคารพหนักแน่นในความไม่ประมาทในการต้อนรับปฏิสันธาอะไรแต่วันหนักแน่นไปหมดเลยนั่นก็คือการปฏิบัติที่มันลึกซึ้งลงไปโดยลําดับ หรือการการเจริญกุศลก็ข้เนี้ท่านแสดงว่าเป็นกุศลก็พยายามเพิ่มพูนเจริญได้ ม, มากยิ่งขึ้นแล้วก็กุศลคือความดีที่เราศึกษาเราปฏิบัติสัมผัสผลมาแล้วระดับใดระดับหนึ่งมันก็จะเห็นความสงบประนีตจาสิ่งเหล่านั้นด้วยใจของตัวเองแล้วก็ต่อจากนั้นก็เขาพยายามจเจริญ ม, มากยิ่งขึ้นวันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าสัมมาวายามาสเนี่ยลองสังเกตว่า มันเป็นโครงสร้างทั้งปวงของการบริหารทุกระดับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้แม้แต่โลกเป็นองค์กรโลกที่เราจะต้องรับผิดชอบในการบริหารนั้นมันก็อยู่ในโครงสร้างตรงนี้ก็คือมีการป้องกันมีการขจัดมีการบำรุงมีการรักษาซึ่งหมายความว่ามันมีปัญญาเข้ากากับหมดทุกจุดเพราะการป้องกันมาต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและป้องกันอย่างไร ตัวนี้เป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องของปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปแล้วก็เห็นประจักษ์แจ้งแก่ใจของตัวเองว่าเป็นโทษแล้วก็เปลี่ยนพยายามดลดหลั่นเปลี่ยนพยายามป้องกันนะเปลี่ยนพยายามป้องกันไม่เกิดภัยไม่เกิดอันตรายขึ้นก็นนะั่น ค, คือหลักการในการป้องกันตำนานในบ้านในเมืองเราเราเห็นว่าการป้องกันที่มีประสิทธิภาพนั้นการข่าวนต้องมีประสิทธิภาพ ทุกเรื่องเนี่ยต้องป้องกันได้แต่หมายความข่าวต้องดีข่าวผิดนิดเดียวยุ่งแต่นั่นเองอาตมายังถือว่ากรณีที่นักศึกษาพม่า ก, กับปวกกอม์นะี่นะฮะที่มายึดสถานทูตกับสถานไอรโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยต้องถือเป็นบทเรียนใครจะอ้างจยางไงก็ช่างเถอะแต่ว่าการข่าวปกร่องแล้ว ถ้าเราบอกว่าการไม่ข่าวไม่บอกคร่องแล้วทําไมคุณไม่รู้ล่ะคือไม่ต้องเฉียงในเรื่องอย่างนี้มันมันเป็นการยืนยันอย่างไรตัวแต่ควรใช้เป็นบทเรียนไม่ควรใช้เป็นการช้าเติมใครแต่มันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทุกเรื่องแม้แต่โรคระบาดอะไรต่างๆฝนจะตกน้ําจะท่วมจะเกิดพายุจะเกิดอะไรต่างๆเกิดมาเนี่ยถ้าการข่าวไม่ดีการข่าวเนี่ยมันภาษาขังทหารเขาเรียกว่าการข่าว แต่ถ้าเรื่องอื่นก็อาจจะเรียกว่าราย ง, งานราย ง, งานของโคลมุตุนิยมวิทยาราย ง, งานจากนั้นจากนี้จากโน้นข่าวกลองจากนั้นจากนี้จากโน้นอาจจะไม่เรียกว่าการข่าวก็ะถ่ายแต่จจสรุปรวมเนี่ยเรียกว่าการข่าวคือหมายความว่าเรื่องของข่าวความเป็นมาของสิ่งที่เป็นคุณก็ตามเป็นโทษก็ตามที่ยังไม่เกิดเนี่ย มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเรารีบเร่งลงมือตามข้อที่สามก็ได้เกิดขึ้นแล้วเราป้องกันตามข้อที่หนึ่งก็ได้นะฮะแล้วแต่อะไรเพราะว่าข่าวไม่รู้ข่าวเรื่องอะไรนะเช่นสมมติว่าข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้นหุ้นตรงนั้นกำลังขึ้นเนี่ยเนี่ยมันก็แสดงว่าบวกเราก็รีบลงมือปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรก็ตามโครงสร้างข้อที่สามแต่ทีนี้ข่าวบางอย่างเนี่ยมันต้องป้องกันแต่ว่ามันป้องกันร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้หรอกถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติ ป้องกันในลดความรุนแรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เจนว่าข่าวของพายุข่าวของน้ําท่วมข่าวของว่าตอภัยข่าวของอันตรายทั้งหลายในข่าวโรคระบาดเนี่ยป้องกันเท่าที่ป้องกันได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ค่อนข้างชัดเจนนะแยกแยะได้อยา่อยางชัดเจนแต่นี้ก็ต้องต้องดูตัวเองออกงั้นคือบางครั้งบางข่าวเนี่ยคนเรามันมีควโลภ มันรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้เนี่ยไม่ควรจะถูกทำลายเสียคิดสั้นๆคิดแคบๆคิดเฉพาะตัวเองว่าตัวเองเป็นศูนย์เป็นฐานในการตัดสินเลือกเฟ้นประิตปฏิบัติตรงนี้ก็ข้างมีปัญหาเหมือนกันถึงหมายความทั้งๆที่มันเป็นอันตรายนะชัดเจนแต่ไม่ยอมจำกัดขจัดออกไปาจัดออกไ ป, ออกไปมันก็เหมือนกับปัญหาเรื่องคอรัปชันการซื้อสิทธิ์การขายเสียงต่างๆเนี่ย อย่างการเลือกตั้งสวเมื่อวันที่สี่นี่ข่าวไม่ดีเยอะนะข่าวที่คนไม่กล้าพูดก็เยอะการในท้องถิ่นที่บอกแล้วก็คนที่รับมาเองเนียบางครั้งระบางบ้านเนี่ยก็อยู่กันหลายคนมาให้วางให้สามพันสี่พันเพื่อจะให้ช่วยเลือกตัวเองไม่รู้รวยมาจากไหนเหมือนกันนี่ยนะฮะแต่ก็สิ่งที่น่าเกลียดก็คือว่าคนเหล่านี้ได้สถานะจากสังคม แล้วก็พยายามปกป้องรักษาสถานภาพของตัวเองเอาไว้สช้อำนาจอิทธิพลสารพัดที่จะเล่นหมายความมาโดยเนื้อหาจริงมันเป็นโทษนะแต่มันเป็นคุณกับคนกลุ่มหนึ่งนะผู้ที่ยินดีในบาปเนี่ยเขารู้สึกเขาเป็นคุณเขาได้ใหญ่ได้โตได้จากคนบ้านคนชามันธรรมดาแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งมากลายเป็นสอวอะไรต่วไหนเนี่ยแล้วก็มีความชื่นชมยินดีกับการเป็นตรงนั้น เราชัดเจนนะฮะในแง่องค์รวมมันเป็นอันตรายต่อระบบการบริหารราชการแผ่นดินแต่ประเด็นประชาชนบางกลุ่มเนี่ยมันก็ได้หากินอยู่กับเรื่องตรงนี้ก็พยายามยได้จะต่อสู้ขัดขวางเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องคัดจับเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ถ้ายิ่งกระจายตัวปัญหาไปมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งคัดจับได้ยากเพราะว่ามันมีกลุ่มผลประโยชน์ที่รู้สึกตัวเองได้อยู่เป็นกลุ่มเล็กๆเลยฮะแต่มัมนมีอำนาจอิทธิพลได้เกิด คอยขัดฟังนิดร้อนคอยตัดรอดแล้วในที่สุดก็ทําไม่ได้เพราะงั้นแนวตรงนี้พระเจ้าจึงทรงสอนในเริ่มที่ตัวเราพระมอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามันไม่ใช่เร า, เราไปทํากับคนอื่นทําคนอื่นมก็ทําไม่ได้ทํายากมันก็แก้ไขปัญหาของตัวเราเองเป็นรูปของธรรมจรยิยาเป็นรูปของพระมอาจารย์เป็นเรื่องของกรรมหมายความว่าเป็นกระบวนการของกรรมที่เรามองเห็นอะไรเป็นคุณเป็นโทษแล้วก็ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการของกรรม หมายความว่าป้องกันในเรื่องที่ควรป้องกันลดละในเรื่องที่ควรลดล ะ, ะก็เพิ่มพูในพพในเรื่องที่ควรเพิ่มพูนรักษาในเรื่องที่ควรรักษาซึ่งเป็นการปฏิบัติเหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีของแต่ละเรื่องอที่บังเกิดขึ้นนี้ก็คือปรกมจันทร์มันต้องมีสติสัมปชัญญะตรงนี้เป็นความเพียรอยู่นะครและค ว, ความเพียรสติสัมปชัญญะนี่ทุกเรื่องเขาจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกันในการปฏิบัติทั้งหลายจะหนุนช่วยกัน แม้เราใช้ธรรมะเขาอื่นใช้สติสัมจัญญาไข ใ, ใช้ขันติอะไรแต่ไหนมันก็ต้องมีความเพียรมันต้องมีสติสัมจัญญะเป็นตัวอุปการะคือข้าสนับสนุนในงานในทิศทางในการฝึกปือในการประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายมันก็แหวงสับสนขึ้นมาแล้วอาจจะนอกนู่นนอกทางไปได้โครงสร้างตรงนี้ก็คือการป้องกันการบำบัดการบำรุงการรักษาซึ่งนําไปใช้ในกรณีทั่วไปนั่นเองต้องฝังแต่ไหน แต่รลมงพอ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทนหลายโดยทัวกันสวัสดี